อ่ะฟังเทศเสียชั่งนีัน่น้ยนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนาโมตัสสะ พะคาโตุอะระหตุสัมมาสาัมพุทธาอาหารปัจเจียวติจิณับนี้จะได้อธิบายเรื่องอาหารของบำลุงธาตุขันร่างกาย ของที่บำลุงใจมนุษย์คนเราที่ยังลุ่มหลงงมงายมันบำลุงแต่ร่างกายมันไม่ได้บำลุงใจอันนี้พ่นเียว่าคนสนิทนี้หน้าที่เขาต้องไปนรก คนที่ฟักใยบำลุงใจตลอดไปคนผู้อย่างนั้นหน้าที่ของเขาต้องประชูความสุขไม่เป็นมนุษย์ก็เป็นเทวดาอันนี้ให้เราคิดนึกในตัวของเราทุกคนเราทุกทุกคน หนึ่งหากินรถอันนี้ไม่ดีหาอันใหม่กินไปมดทุกอย่างของเมาก็กินของส้มของหวานก็กินของเผ็ดของเค็มก็กินของเป็นบาปก็กิน ของที่มีเป็นประโยชน์แก่ถาดขันก็กินอันนี้พันแยกว่าบำรุงได้ร่างกายมดยังนั่นแล้วกินอิ่มแล้วก็นอนกินอิ่มแล้วก็เล่นกินอิ่มแล้วก็ไปหาอีกกินอิ่มแล้วก็หารถใหม่ ทำอยู่อย่างนี้อันนี้เป็นว่าคนมืดมีจนาที่ไปนรกตลอดไปอันที่บำรุงใจนั่นหายากบุคคลบำรุงใจหนึ่งเขาต้องปักไฝในการไหว้พระสองเขาต้องระลึกถึงศีลของ สินห้าของเขาสินอุปโภคของเขาสามเขาต้องระลึกว่าตัวของเราจากร่างกายอันนี้แล้วจะไปเป็นอะไรเบื้องหน้าขันท่านเราเพิ่มแต่ความชั่วนาทีก็ต้องไปนรก เราพักไฟเพิ่มแต่ความดีก็ต้องไปสู่สวรรค์อันนี้ให้เราทุกคนจงคิดนึกเดี๋ยวนี้จะฝึกตนของเ ต, เ น, น, ง ต, น, งตนเป็นคนโง่แล้วจะฝึกตนของตนเป็นคนฉลาดให้เราคิดนึกในตัวของเราทุกคนอาหารพระปัจจัยู อาหารบำรุงใจการเจริญพรนาทำจิตของตนให้เป็นอารมณ์อันเดียวคือระลึกรู้สึกภาวะว่าจิตของเรามีอยู่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรสักอย่างอันนี้ผนเรียกว่าบำรุงใจบำรุงธรรมะ บำลุงความสุขบำลุงปัญญาบำลุงความสวาม่างบำลุงหนทางของตนจะประชูความสุขให้เราคิดนึกในตัวของเราในชีวิตนี้พ้นจากวัตชีวิตของร่างกาย ไม่ใช่วชีวิตของใจใจไม่มีการล่มการหายไม่มีการตายชีวิตของร่างกายอันนี้ลมหายใจเข้าออกชีวิตร่างกายอันนี้คือใจเป็นผู้ดูแลชีวิตร่างกายอันนี้แปลว่าถาดทางสี่ถาดดินถาดน้ําและถาดลมถาดไฟ บุคคลผู้รู้จักรักษาบุคคลนั้นเขาได้รับผลประโยชน์กับได้ร่างกายบุคคลไม่มีความคิดอ่านเขาได้โทษกับร่างกายอันนี้ผู้จะไปนรกเขาก็ถือร่างกายอันนี้เองเอาร่างกายทําความชัว่วต้นใหญ่ที่สุดก็คือปทิโยทัต ไปนรกหนึ่งแสนพุท ธ, ธะตะเกจึงจะได้มาขึ้นมาจากนรกขึ้นมาแล้มต้องสวยความทุกอย่างอื่นอีกต่อไปหลายอย่างที่สุดที่สองกับโกกาลิกะเพื่อนสหายไปนรกห้ามืนพุท ธ, ธะเขาจึงจะได้มาที่สามก็พยาชาติตู ข้าบิดามารดาข้าบิดาแล้วยังไม่แล้วยังไปทำความชั่วยังอีก ม, มาหลายประกาศไปนรกหนึ่งหมื่นห้าพันพุท ธ, ธมาตราในโลกเขาจึงจะพ้นจากนรกนอกก็นั่นแล้วไม่รู้จักว่านางจินจา คนไม่พนั น, นาว่าไปนานเท่าไหร่ชุปตะพุทธพระองค์ก็ไม่วางว่าไปนานเท่าไหร่นันทยักษ์นันทรมนุจกจะไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นางสามาคันธยาเผาอุบาสิกาผู้สาเร็จขั้นสูดา ห้าร้อยกับหนึ่งนางสาวมาวตีอันนี้ก็ต้องไปชูนรกนานเท่าไรไม่รู้นอคนั้นแล้วอจีละกะผู้ที่เบียดเบียนพู้พุทธเจ้าจดตลอดทุกรายการเขาก็ไปนรกนานที่สุดเลยผู้ที่ฆ่าพระโมคคลาห้าร้อยอันนั้นก็ไปนรก อไรนะับไนะอันนี้เรียกว่าเขาได้ร่างกายอยู่นะเขาได้ธาตุทั้งสี่อยู่แล้วใจของเขาเนั่นเองเป็นผู้ใช้ร่างกายอันนี้ให้ทำความชั่วไม่เพิ่มอาหารอันดีให้กิจใจของตนพระอริยะทั้งหลาย ตั้งแต่ขั้นโสดาฟัางเทศพุทธเจ้าแล้วเขาละลึกถึงใจของตนว่าอะไรมันเกิดขึ้นสิ่งที่มีโทษและมีคุณเขาตั้งใจพิจารณาก็ได้สำเร็จทันทีก็มีธรรมะเป็นที่อยู่ของใจองค์ญานเป็นที่อยู่ของใจรูปของผู้สำเร็จธรรม อันนั้นเปนรื่อว่าธรรมะตกแต่งพระธรรมตกแต่งพระเรียกว่าอุปติกะเกิดด้วยชิงความดีบันดาลให้เป็นลูกเกิดขึ้นทันทีพรมทั้งหลายสวยองชานท่านเน่านั้นก็แปลว่าอาหารที่ดีองค์ชานตกแต่งองคชานบันดาล เล้วอุปติกะเกิดเป็นองค์พระพมเกิดขึ้นทันทีเมื่อใจหนีจากร่างกายอันนี้เทวบุตรเ ท, ทวดาทั้งหลายไปสู่สวรรค์อันนั้นก็แปลว่าบุญกุศลตกแต่งอุปติกะบุญบรรดาลให้เป็นลูกเทพเจ้าเกิดขึ้นทันทีไปสู่ความสุข และโผกที่ไปเป็นไปตกนาลกอันนั้นก็แปลว่าความชั่วบวันดาลเป็นอุปติกาเป็นรูปของเปรททันทีนาลบว่งมีใครตกแต่งนะตัวของเขาเองเกิดร้อนของเขาเองเกิดไฟไหม้ของเขาเองช่วยทุกข์เองอยู่ตลอดกันไป อันนี้ด้วยเหตุเพราะการใดก็คือใช้ร่างกายอันนี้เองทำความชั่วใช้ร่างกายนี้เองทําความดีอันนี้จะจึงได้ขึ้นสู่อาหารลปัจจยอาหารเป็นปัจจัยของใจอาหารเป็นปัจจัยของร่างกายมันก็มีชีวิตวิ่งไปมาเท่านั้นเอง ยิ่งเมื่อยังเป็นเด็กกำลังแข็งแรงขึ้นต้นไม้ก็ได้ขึ้นบนภูเขาก็ได้วิ่งไปมาก็ได้เท่าแก้สลาคำข่าไปแล้วธาตุทั้งสีมันํำรุดแล้วอันนั้นแปลว่าใจเป็นเจ้าของรักษากระลำบากุกะนะนโมตลอดกันไป ให้เราทุกคนอยองคิดนึกว่าอาหารละปัจจัยอยู่อาหารของใจอาหารของร่างกายอาหารที่ดีอาหารที่ชุกะปกุกให้เราคิดนึกเราอยู่การมาทุกวันนี้แปลว่าเพิ่มอาหารอะไรให้แก่ร่างกายเพิ่มอาหารอะไรให้แก่ใจ ให้เราทุกคนจงคิดอ่านพุทธองค์พในวางบัทภักถาว่าอาหารละปจิยูอินชียะปจิยูอินชีคืออะไรจักชุอินชีตาเห็นอะไรมันเกิดความพอใจหรือไม่พอใจโสตะอินชีหูมันฟังอะไร วางเสียงอะไรที่เพิ่มความดีและความชั่วคานะอินชีจมูกมันกลิ่นอะไรมันพอใจหรือไม่พอใจมันต้องการหรือไม่ต้องการความกลิ่นในจมูกชิวฮะอินชีลิ้นมันพอใจเนี่ยอะไร กินลาบแล้วก็ต้องการกินเหล้ากินเหล้าแล้วก็เฮโลอะไรกันแลว้วอันนี้เราพอาหารเราพอใจอยู่กินลาบแล้วยังไม่พอเอาเหล้าเข้าอีกกินเข้าไปเอาหูฟังอีกดนตรีตากระอองอีก ดูชมเชยกันเล่นต่างๆทุกอย่างอันนี้พูดว่าอาหารและพัฒน์อยู่มีจะเพื่อนความชั่วให้กิ จ, จิตตลอดกันไปเป็นนิดให้เราทุกคนคิดนึกในชีวิตของตนความดีจะเกิดขึ้นต้องใช้ร่างกายอันนี้ความชั่วจะเกิดขึ้นต้องใช้ร่างกายอันนี้ กายอินทรีย์ร่างกายอันนี้มันต้องการสัมผัสอะไรยินดีกับอะไรมโนอินทรีย์คือใจนั่นเองเป็นเจ้าของร่างกายจะเพิ่มอะไรให้จิตจะเพิ่มอะไรให้กร่างกายจะเพิ่มอาหารที่ดีหรือจะเพิ่มอาหารสกปรก อาหารสุขปลกุกแปลว่าอุปติกะจะไปเมืองหน้าบาปบันดาลเป็นเปรตเป็นผีเดไปตกนรกทันทีไปเป็นสัตว์เป็นสารอันนี้พันล้ว่าอาหารและปฏิโยเพิ่มให้กจิจให้เราทุกคนคิดนึกที่ยังเป็นบุตรชนอยู่ในเวลาัตบเดียวนี้ เราทุกคนจะไปสวรรค์หรือจะไปนรกจะไปเป็นเปรตเป็นผีหรือจะไปเป็นเทวดาจะไปเป็นมนุษย์หรือจะไปเป็นสตัตว์เดยสารให้เราทุกคนคิดอ่านตนของตนทุกคนในชีวิตวันเดี๋ยวนี้อาหารและปเจโยอาหารแปลว่าเครื่องบำรุง อาหารไปว่าเพิ่มกําลังลูชีทั้งหลายเขาเพิ่มองค์ฌานปฐมองฌานตุติฌานตาติฌานเจตุติฌานพอหนีจากร่างกายก็ อ, องค์ภพภูมิเกิดขึ้ น, ท, นทันทีสวยความสุขอยู่นานที่สุดสิ้นวกาภมปพะยุอากรณนิฐาที่สามหมื่นพุทธะ ลงมาอยู่อภัสราได้แล้วหนึ่งหมื่นพุทธะยังจะเลื่อนลงมาอีกหนึ่งหมื่นพุทธะมาตัดในโลกเขาจึงยังลงมาสร้างบําเพ็ญอีกต่อไปเขาจะด้ลงมาเพิ่มอาหารอีกลงมาเขา้านาดเพิ่มอาหารอะไรสุดแล้วจะเรื่องของเขาพบว่าอาหารดีกับเพิ่มอาหารดีพบว่าอาหารไม่ดีกับเพิ่มอาหารอันชั่ว ก็ต้องไปชูนรกอันนั้นเพร่อว่าหมุนหลังขึ้นชนทว่าหมุนล่าลงนรกตนของตนมาที่สูงแล้วต้องการลงต่ำพื้นต่ำที่สุดอันนี้เกี่ยวกับอาหารและปัจเจโยอาหารที่ไม่ดีอินทรียพปัจเจโยไม่รักษา หมูไม่รักษาตาเพิ่มแต่ความชั่วให้กิจตอลอดกันไปให้เราทุกคนจงคิดอ่านในชีวิตของตนทุกคนที่เราเป็นมนุษย์แล้วเวลานี้ความดีจะเกิดขึ้นความชั่วจะเกิดขึ้นจากตัวของเรานั่นเองเรารักษากะวะ่าแปลว่าสะอาดเราไม่รักษาเปลว่าวสกปรก แล้วทุกคนจงคิดอ่านตนของตนทุกคนตัวอย่างมีแล้วปฏิโยทัศตัวอย่างมีแล้วพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายไปสู่นิพพานตัวอย่างมีแล้วโพลุฉีได้องคชานตัวอย่างมีแล้วคนสายกินเหล้าสุกปกตลอดไปในี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านเดี๋ยวนี้ บุญเราไม่เห็นบาปเราไม่เห็นเป็นอย่างไรใจเราก็ไม่เห็นเป็นอย่างไรอันนี้พี่บอกมืดมืดด้วยความโฉดทั้งหลายปกปิดอยู่ตลอดกันไปจึงไม่สว่างผู้ที่ชว่างแล้วพระพุทธเจ้าสว่างแล้วพระอรหันต์สว่างแล้วอริยะทั้งหลายสว่างแล้ว อันนั้นแปลว่าผู้เห็นแจ่มใสทุกประการแล้วเป็นตัวอย่างมีอยู่ในโลกบุคคลผู้มีนิสัยปัจจัยเขาฟังแล้วได้รับความผลประโยชน์ความดีทันทีอันนี้ให้เราทุกคนจงคิดนึกในตัวของเราโวก<ฆ>เรานั้นมันบาปความชั่วนขอบงำปกปิดหนาะเท่าไดว่าไม่หนาะ นาจะไม่รู้สึกภาวะว่าอะไรเป็นบุญเป็นบาปนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่ามันบาปความชั่วมันมากที่สุดในใจของพวกเราเพราะฉะนั้นให้คิดอ่านตนของตนทุกคนวันนี้ได้เตือนญอาติน้องลูกหลานอาหารละพัจจโยให้ลูจกจักภาวะ อายุวัตโกทนนวัตโกสิริวัตโกเยสวัตโกภะวัตโกวัวัตโกสุวัตโกโหตุสปัาอายุวัตกาธนวัตกาสิริวัตกาเวักาภะวัตกาวันณวัตกาสุขวัตกาโหตุสปาอายุวันโนสุขังฝลัง